เขาบ้าไก่มากจังหวัดผมอย่ามากแต่เขาเออคนเดแล้วขาดอย่างี้ยเรยกว่ากาลุกข้อคู่บอลร้อนนั่อรัพลคาล่าต้อล เคยมาเคยมาจริงมาอยู่ครับก็สองเท้ามาแล้วก็คุยจันทร์กันนะพวกกันเท้ารนบ้านก็เป็นับบ น้องหัวแล้าน้องมวหมดหนอมวยหมดคำว่าเทเน่อ่านท่าละกับบุญม่านเต็มบาปมันกับพระท่านหมดบอกท่นขันบุญเต็มแล้วบาปมมนก็บวัดไปไม่กับเขาสู้พระเนีพยผ่านท่านเท่ว่ดได้มาเกิดแก้แคมตายอีกตัวสิ่งที่แฉข้อเฮายโยน ของ้อขอคั้วแขนมันยังขาดเป็นข้อมือเก็บตายแขนก็เฮ้ยโยนขาดเพเป็นเนี่ติดลางางลางางเงย น, นั่นนั่นนั่นที่ว่าจังไรัะนอดกับข้าโยงโปรเลงโปรเลงอยู่ยงางไปก็คือกันอความตายนี่เพราะมีเสียงถอยหลีกเพราะว่ารักการเชตุงทะเนะว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วมันมีท่านผู้ใดจะถ่ยถอนไปเปมี่ยนมนวลโดยทรัพย์ อ, อ น, นุอนอนแล้วถึงความตายเมื่อจักขัง มื่อนลล้อยข้างจะฆ่าฉันเออพ่อมก็ล้องเห้ใจเขาออกแข้งได้บุญหลายนั่นพ่อมก็ร้องห้ใจเข้าออกยิ่งได้บุญมากพูดก็หมูก็พูดมากถ้าหากว่าพูดแต่ตนคนเดียวภ า, าวนาแต่ตนคนเดียวไม่ได้ออกมากเนอมากก็มากออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจนั่น เอเอาเอาวัดเอาวัดนัูงสวดเอาละเออพวกง้อมว่าห้พวกง้มมันมันบกคู่กันหรอกไหายในกระเบื้อไ่ได้ล่ะพวกง้อมว่าหามันจะบกคู่กันถ้าบกคู่ละมันเสียใจกันไหายจะพระละเว้ยข่าก็ไปซื้อกันไม่ได้เพราะว่าถ้าห้ยวัดเด็กก็บวชบพ่อเลยต้องเสือ คำสอนย่อของพระพุทธเจ้าจงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นนั่นคนทุกข์นะว่าตาสงสารปัญหาไม่มาก ปฏิบัติเพื่อล่าเพื่อยศปัญหามากทำไมจิงมากเพราะมีกิเลสมากมันก็มากสิถ้าเห็นโลกเต็มไปด้วยล้มทานเพลิงแล้วการปฏิบัติก็ไม่ลำบากถ้าหวังจัดทุ่มเทความสุขลงในโลกปัญหาก็มาก ถ้าจะทุ่มเท ค, ความสุขลงในพระทิพพานปัญหาไม่มากเพราะเหตุใดเพราะเห็นภาพพจน์ของโลกแล้วเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแล้วกองและแปลปวนแลแตกสลายและทุกข์เมื่อเห็นภาพพจน์ของโลกชัดแล้วความยินดีในโลกทั้งปวงก็เบาลงทำทั้งหลายก็หงายออกให้เห็นก็ยินดีในพระนิพพาน พุทโธนิพานธรรมโอนิพานสังโหนนิพา น, น, พานสิ่งเดียวทำาไม่อย่างนั้นแล้วปัญหามีมากคนชั่วก็มาจากคนดีคนดีก็มาจากคนชั่ว เออพอบันเท่าอยู่เมื่อวนี้มาใกล้สะตายก็มือเศร้านี่สวัสดีสวัสดีปีใหม่ใกล้สะตายก็ไปไกลไงตัวกันนี้สวัสดีปีใหม่มาสักพักใกล้สะตายก็ไปไกลไงใกล้จตายก็มือเศ้านี่ใกล้สะตายก็วังงังมากยับเข่ายับเข่าพอออก ชรวดาคนพูดเถ้าเนี่ยว่าพ่อบรรเทาโยท่าสนสีบรนเทาโยไหนใกล้ตายก็บึเรเทานี่ <c oughs> นายโควางต้อนโคเข้าคอกจะต้อนแต่เวลาตะวันบ่ายความตายต้อนสัตว์ทั้งหลายเข้าคอกไม่มีกลางวันกลางคืนเลยวันคืนกลืนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่ม วันคืนกลืนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่มเลยใครจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาจริงอยู่ไว่ามีกลางวันกลางคืนอีกด้วยอผู้ที่เพลินในวัตทฏสงสารก็คือเพลินในหลุมฐานเพลิงเราดีนี่เองผู้เพลินในเกิดในแก่ในแกบในตายก็คือเพลินในทุกเราดีๆนี่เอง ผู้ยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวนะผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็ดับเพลินในวัฏฏะสงสารอยู่ในตัวนะก็เปิดประตูพระนิพพานไปในตัวนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาปฏิวัติพระพุทธศาสนาไม่หวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร มันก็ฟันไม่ไม่ถึงเก่นไม่สมฐานะของเราที่ปีนขึ้นเขาลงห้วยคดเคี้ยวเรียกลำบากไม่สมฐานะที่เราชั้นในบาทปลอบินทบาทปลอเรือนกกรมปลอ อยู่ปาเป็นวัดปรอแต่ก็เป็นการจนใจผู้บารมีอย่างอ่อนก็บวชพอเป็นนิสัยผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วก็เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่อุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารนั่นอุปสรรคเกิดแ ก, ก่เจ็บตายโลคปวดหลง ทุกวันนี้มีแต่อุปสรรคทั้งนั้นหิวข้าวละหายหน้าปวดรูจระปัสสาวะหายใจเข้าออกบรรเทาตายเปลี่ยนอินดิยาบทก็บรรเทาแกปวดทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปล่วงไปล่วงไปคําพูดแต่ละบรรษบาทก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปเป็นอันนี้จังอันละเอียดความนึกคิดก็เป็นอันนีจังอันละเอียดความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลก เธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดทอนตามเป็นจริงแห่งความหล่อของตนซะพระบรมศาสล า, ศ า, ศานิมิตทั้งหลายจะมีขี่ล้านก็เกิดขึ้นแล้วแปลปวนนั่นแจกสลายเท่านั้นนิมิตเทวุเทวราอินภมยมยักษ์อะไรต่ออะไรสารพัดในวัฏะสงสารเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนนั่แจกสลายไปอยู่ใต้อำนาจอเน จ, จังทั้งนั้นใดใดใ น, ใ น, ใ น, ในโลกล้วนอเน จ, จัง ได้ๆในโลกล้วนทุกขังได้ๆในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามบรมีชาติลาเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติ เรารู้วิมุตตตามเป็นจริงของมุตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองพ ร, ระบรมศาสดาถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์หรือไม่ศูนย์เราก็ไม่ไปยืนยันไปติดอยู่พระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นสอนทำอันละเอียด าศาสนาอื่นมีดาดเดินทมเถอย่าเอามาปนเปนกับาศาสนาพุทธเลยพระสวรดบันสักระคาคามีนาคามีอรหันต์นาามีก็มีในาศาสนาพุทธไม่มีก็ไม่มีในที่นี้อั น, นอื่นๆอย่าเอามาพูดเลยพระบระมศาสด า, าในพระหาปร์นณิพานสูตรอ่าอยู่ที่ไหน เออเอาให้พวกไกลแค่กันจันทบุรีเออเออเอาเอาเอาชือกประวัดมาให้ะ่ะจันทบุรีผู้อยู่ไกลให้แปะกอนเอ <c oughs> เอ เป่าหัวให้ลงถึงใจเป่าหัวก็คือเป่าหัวใจนั่นเองใจให้ถึงพ่าพุทธธรรมประสงค์อ๋อพุทธชโยตโมสังคโกใจให้ถึงพ่าพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เรียกว่าเตือนใจนิมนใจให้ถึงพ่าพุทธธรรมประสงค์เตือนใจให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์งเป่าหัวแทนเอ้านี่นี่นี่เอ๊ะฮึ่ ยันแปนเรียมเหรอเ อ, อเอามาให้แปซะเอามาพวกกันบุรีพวกคนไใจหน่ะให้กค่พวกคนไก่ซะเอ้าพวกคนไใจเข้ามันมาหลายเสีเอาเดี๋ยวนะ โอ้โตมันขนจันทบุ ร, รีอะไรเนาะพ่อบอฮะเอ <c oughs> อจันทบุรีหรือนี่เออจันทบุรีหลวงปู่นี่ยไปมือกันสองพันสีรอยเก้าสบสามไปจันทบุรีนี่ยังไม่ได้เกิดหรอกนี่ตอน้าสบสามไปจันทบุรีไปพักอยู่สามเดือน ออกจากก็ไปภูกเก็ตพังงากัคำ隆พุทธฮะก็อตสมุยเออเข้าใจก็อตสมุยเดชสุราษฎร์ธา น, นีนั่นันน่สุราษฎร์ธานีก็ได้ผ่านเหมือนกันผ่านไปภูกเก็ตพังงาก็ผ่านสุราษฎร์ธานีนละยเอามาให้ซะแล้วครบแล้วไหมครบไหมครบแล้วเออไป เออเป็นชุกประซุปไปภาวนาไปเนอะภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเนอะอย่าไปแซงเขาเนอคขับรถอย่าไปแซงเขาต้องแชงทางปลอดภัยขับรถถ้าแชงทางพึงผายแบเผงเลยละ <c oughs> ถ้าไปแซงเขาก็เพงเหมือนกันไปแซงไห้ถูกไอ้ขี้เหล้ามันมาให้เราขึ้นก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ันทบโบรีจยันทบโบรี่มเป็นของไก่เนี่ยันทบโบรี่เดี๋ยวนะมาไมเดี๋ยนะเดี๋ะมาถ่ายนี่มหมมาถ่ายนี่มหมอ๋อ อดีตคืออะไรคือผู้ลูกที่ล่วงไปอนาคตคืออะไรคือผู้รูกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือผู้ลูกที่กําลังเป็นอยู่ผู้ลูกก็เป็นแต่สักว่าลูกเกิดขึ้นแล้วก็ไปปวนระดับไปอย่างละเอียดเหมือนกันเอาจิตปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ เอาจิตเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเอาปัจจุบันฉันทะพอใจละค่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทยาเพียรหมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิตตะเอาใจพักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันมิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันคุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจช่านําบุคคลใ้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีแนววิสัย ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไมเนี้ยเพียรเนี่ยกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตและลือกเข้านกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีความหมายอันเดียวกันสภพวะโลกทนทั้งปวงย่ลงมาถึงเอกโลกสภาวทุกข์ย่ลงมาหาเอกทุกข์กรู้แจ้งแทงตลอดเท่านั้นไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเลย เมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปวงความยินดีในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลมความเห็นชี้เธอในโลกทั้งปวงก็เห็นเพราะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นเอาไปปวง น, นั้นแตกสลายนั่นลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นรอบโลกแล้วพอเห็นด้วยอันนี้จังทุกขรังอานาตาด้วยไม่ไหวแต่ไม่ต้องการนั่น ปฏิบัติเพื่อชนะความหลงของตนทำลายความหลงของตนด้วยพระปัญญาพระจิตพระปัญญาข้ามทะเลหลงเพื่ อ, อรัฐย้วมือเดียวโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันเมื่อไม่ติดอยู่ในโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเป็นแต่สาวกปัจจุบันอดีตก็เหมือนกันอนาคตก็เหมือนกันผู้รู้ก็เหมือนกันทําท่านสูงบางท่านก็บอกว่าถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิเขาเห็นแล้วนรกเห็นทั้งภพมโลกเห็นทุกคนหนุกแห่งเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นปัจจุบันเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เรียกว่าเห็นโลกหมดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นโลกหมด เห็นสิ่งที่ไม่ตรวจไม่ใช่ตัวตนก็เป็นก็เห็นโลกหมดก็เห็นธรรมหมดก็เห็นสังขารหมดนอกจากสังขารไม่มีอะไรจะเกิด ข, ข, ขึ้นแปลพนระดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นแปลโวนระดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นพอแปลโพนระดับไปนั่นนั่ง เอาละทีนี้เรื่อกันทีนี้เลยแล้วสองกันสามกันแล้วชั่วโมงแล้วนั่งไม่ได้พิกเลยนั่ทำท่าไปผู้ขังไปหดให้ผู้อื่นแต่ดจะของหามันนุ่มลงไม่ได้ไปอย่าง <laughs> แม่อูบอก เอ่า อ, อ้าอู้อพุทธธรรมสกอุอพุทธธรรมสกุลเออกําหนดร่มไม้ใจเขาออกเออเออกำหนดร่มไม้ใจเขาออกสติสติยกับเจ้าของจิตมันผสมประสงค์มันกับจิตมันมีเนี่ยผสมประสงค์มันก็นได้เสียจิตน่นจักษ์เออ ผู้ที่มีปัญญาไม่ควรสิ่งที่ให้ร่วงแล้วมาคล้องอยู่ในใจสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงปัจจุป น, นันเจยโัฒมังตงเห็นธรรมในปัจจุบันเถิดสีนตัดสีนลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันพุทธธรงสงสงอยู่ที่ปัจจุบันนัก แลาวบรรดาบารตลด ม, มันกลายไปเป็นอดีตอน่าขอืดอืะลบ ม, มากระทบนะข้บญญาบรรดาว่ารนลดกลายไปเป็นอดีตน่าขอ ล, ล่ะหาระหวา่ห า, หวางไม่ได้เกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปรปวนหาระหว่างไม่ได้ดับไปหาระหว่างไม่ได้เธอจงรู้ตามมันจริงซะพระพุทธเจ้านี่วิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาธุระไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระ วิพัฒนาธุระก็คือปัญญาธุระเราดีๆนี่เองนั่นศีลชั้นไหนๆก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้ามีสมาธิเหมือนกันตั้งมั่นในศีลศีลานุสติตั้งมันนนงม่นในทานก็จาคานุสติตั้งมั่นในระลึกถึงคุณพุทธประธรรมประสงค์ก็พุทธาธรรมานุสติอยู่ในตัวเราจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติไม่เป็นปัญหาหนั่นมันไม่ขึ้นอยู่กับบัญญัติมันไม่ขึ้นอยู่กับไม่บัญญัติ มันจริงอยู่แล้วนั่นใครสมประสงในโลกไม่มีใครสมประสงถ้ามีใครสมประสงหมดเราก็เสียเปรียบไม่มีใครสมปสงค์เดินในโลกเราไม่เสียเปรียบใครสมประสงแต่พระทหารแค่พวกเดียวนั่นนั่นน่นมีแก่มีเก็บมีตายมีโรคมีโกรธมีหลงมีเงินเต็มแผ่ท่าแผ่นดินก็ไปสมประสงเดี๋ยก็ตายหนีจากเงินเดี๋ยวก็มา เฉือนคอนั่นใครสมประสงบ้างไม่มีใครสมประสงในโลกมีพระรหันต์จำพวกเยาวสมประสงข้ามทะเลหลงไปแล้วเข้าสู่พันิพพานไปซะไอ้พวกอยู่ในโลกจะมาแข่งขวาประสงค์กันเออแข่งเถอะก็หยอกเงาตนเองนั่นเองนั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่ไหมถูกไมนี่ทําอันนี้เป็นธรรมลึกซึ่งเพื่อให้คํานึงเห็นชัดในธรรมไม่มีใครประสงค์สมประสงในโลก ถ้ า, าว่ามีผู้ประสมในโลกพระรหันต์ก็ข้ามความหลงไปไม่ได้วิญญาณมรจินทิก็มาติดอยู่ที่สมประสงค์ก็ไม่มีที่อยู่ยัดเยียดกันนี่พระรหันต์เข้าไปสู่พระเนปาลเมกกื่อก่อนไม่ถึงไม้ทายเนี่ยเข้ามาหาสมุทรสมาหาสมุทรถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโลกยัดเยียดมากนั่นนั่นเอาละเียนี่ไปเฉยนี่ <c oughs> เราบรรดาต้นลมมันกลายมาเป็นกลางลมแล้วบรรดากลางลมมันกลายมาเป็นท่ายลมแล้วมันปเวียนขึ้นมาเป็นต้นลมเองหาระหว่างไม่ได้ล๊อกกุลตามเป็นเจียงหาระหว่างไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลเป็นต้สักว่าลมเป็นต้สักว่าพุลุ่มารรมะท่านสูงเป็นต้นสักว่าจิตบางท่านบางท่านก็ตอบว่าถามว่าหลวงปู่หลวงปู่ได้วยฉันภาวนาจิตไม่ว่าง เออถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่างสิถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนเป็นมจิตว่างมันก็ว่างอยู่ในตัวพูดนะครับ <c oughs> เวทนาของมันกันได้ฉันภ า, ภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้ เ, ออ <c oughs> เวทนาสุขทุกข์เบกขาพระบรมศาสดาสอนให้พิจารณาลงสู่อนัตตาถ้าไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นต น, ตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่ในตัวไม่ต้องใช้กิริยาวาง ถ้าหมายสำคัญว่าจิตเป็นตนจะไม่จิตก็ไม่ต้องใช่กิริยาวางจิตจิตก็เป็นแตสักว่าจิตผู้รู้เป็นแสักว่ผู้รู้ผู้เห็นเป็นแสักว่ผู้เห็นมันก็หมเรื่องกันเราลูตามเป็นจริงของผู้รู้เราเห็นตามเป็นจริงของผู้เห็นแต่เราไม่ติดอยู่ในเห็นในรู้พระบรมศาสตร์สอนนะเราลู่สมมติตามเป็นจริงของสมมุติเราลู่วมุติตามเป็นจริงของวิมุตตแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติและวิมุดด้วย ถ้าเราติดอยู่ในสมมตินวิมุตต์ก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมตินาวิมุตต์อีกเราไม่ติดอยู่ในสังขารถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในพระ涅槃เขาเรียกว่าเราไม่รู้พระนพานก็เรียกว่าเรามีอุปทานในพระนนพา涅槃เราไม่มีอุปทานในที่ใดใดเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันธรรมโรมัสสานาสอนธรรมชั้นสูงถูก ถ้าสำคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้มันก็ไม่ว่างอีกผู้รู้เป็นจะศึกว่ารู้เป็นอนัตตาอันละเอียดเนอะผู้รู้เนอถ้าไปใครไปยึดถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้มันก็เกิดมาเป็นผู้รู้อีกอ่ะวิญญาณไปที่สนที่มันก็ไปจับอยู่ที่ผู้รู้นั่งนั่งเอวกิจการขังขันอยู่าพวกผู้อ่ะท่านมีฝ่ายมันจะมาพูดด้วยถูกไหมนั่งใครเป็นผู้ได้ยินก็คือ สังขารพาะเนรพามาได้มาพูดด้วยม่ได้ามายืนเดินนั่งนอนด้วยพันนรพลสัลงขารอย่งง <c oughs> านั้นเบาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ ว, ลวมันกาสา็สามารถสามารถถึงพสวดารันะทะารเนาาเ ม, นาามนาันได้เหมือนกันจะําไปแง่นั่นเราตอบแล้วเดี๋ยวนี้จะถามว่า <c oughs> พอพเดียงถามมันจะไปถามไปไปแถวไหนเราตอบถูกแล้วเรามีจับคำที่จะถามอีกทีด้วยเุงพไม่มอนากตอนตากตามาทำไมลุงพู ด, ดามมายิง่งนอืมไม่นสอบเนี่ยนั่น<ส><ส> น, น่ะาอะไรตัวเจา้า<ส> คอยปฏิบัติเพื่อผทุกจเจ้าเงีย ม, มากคอยหุ่จักรลดว่ามัอยปฏิบัติเพื่อหลับเพื่อยด น, นั่น <c oughs> <c oughs> พูดถึงประซดาบันไม่ใช่ยดายจักร์ทอละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยา่างเลนอบายยมุกไม่เสียดายจากขอดเวรท่านผู้ได้ ไม่เสียดายอยากจะถือสัตว์สัตอื่นถ้าเสียดายอยากจะถือสัตว์สัตวอื่นอยู่ไม่ถูกทั้งันทั้งพูดเชื่ออะไรพระพูดพระทำประสงค์อ่างยางไม่ถอยหลัง ไม่สงสัยว่าคําสอนอื่นจะเหนือพระพุทธพระธรรมพรง์ไปเลยเท่านี้ก็เป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาปัญญาไม่สงสัยว่าอาบายมุกจะเป็นทางเจริญเท่านี้ก็เป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่สงสัยว่าจะถือศาสดาอื่นเลยเพราะศาสตราอื่นเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว เชืทิศจะมีกี่ล้านล้านก็เชื่อไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดรับที่ใดในใจโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและท่านผู้ไม่เชื่อจริงอยู่ก่อนนั้นแล้วไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่ไม่เชื่ อ, อ, นอเอนะ่ยมันลึกขนาดไหนล่ะนั่ ผู้ป ฏ, ฏิบัติเพื่อพ้นทุกปัญหาไม่มากผู้ปฏิบัติเพื่อราบยสศรสรรเสริญปัญหามันก็ยา ก, กยาแก้ไม่ตกอีกเซะด้วยทาไมจึงแก้ไม่ตกเพราะเราเห็นว่าไตาโรกธาตมันจะเป็นของถูกมันก็แก้ไม่ตกสินะเดี๋ยวยังน่าด้วยถ้าว่าไตโรคธาตเป็นของถูก อาหารก็ข้ามความหลงของตนไปไม่ได้เพราะวิญญาณปฏิสัทธิ์ปฏิจุติอยู่ที่นั่น<อ>เหตุใดท่านจึงข้ามความหลงของตนไปได้<อ>เพราะเห็นอันนี้จังชัดทุกครั้งอนัตตาชัดได้ใ น, ในโลกล้วนอันนี้จังทุกขรังอนัตตาเนี่ยมันก็ตัดปัญหามด<อ>นิยมเราก็ะชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอันนี้จังเกิดขึ้นแต่กาแฟปนได้แต่สาย ห, หาระวางไม่ได้สังขารใดเกิดขึ้นแอนดีสังขาร น, น, า น, นั้ น, นก็ดับในอดี สังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอ น, นาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันความเกิดขึ้นแปลปวนไม่ดับหาแตหว่างไม่ได้พระเนปทานก็ไม่เกิดไม่ดับหาแต่ว่างไม่ได้ไม่มีวันที่วันเสาร์จริงอยู่ไม่มีกลางคืนกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านทุโท่แลเรไม่รู้นั่นปีจีสาขาตาธรามมาหนับตาไหลเลยนะเห็นไหมนะปีจีสาคาตาธรรมาเกิดขึ้นนะ มีทำได้มีน้อยน้อยก็มันของมีน้อยสิเขาเป็นของที่มีค่าไม่เป็นคนขี้มือาขี้มาแห้งจะมาเลื่อมสาพระพุทธศาสนานทําไมจึงมีผู้เลื่อมสน้อยแท้ไม่อัศจรรย์เลยของดีอืมทําไมจึงมีผู้มาเลื่อมใสแจกสอนดอกไม้น้อยแท้มแมลงวันทําไมมากก็เพราะมาแมลงวันมันก็มากอยู่แล้วมแมลงพึ่งก็ามีน้อยนั่นเขาโคร ค, โครับขนโคนั่น พระพุทธศาสนาใครใครก็มาเรื่องไสหมดพระพุทธศาสนาก็เฟ้อคนไม่เลือ่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือคนสร้างบารมียังไม่แก่กล้านั่นเองีอพ่อไอ้แม่กูเอ๋ยไม่ต้องพูดมากแล้วจะไปมาฆ่าเปียคนตาบอดสวนเข็มเราก็เป็นมากนีนั่นถูกไหม บางท่านก็ถามว่าลูกปู่พระองค์ลูกพ่อลูกพ่ อ, พ อ, อบาปมีไห้บุญมีไห ม, ม, ไหมพระลองศ า, าสดานิ่งไม่พูดเลยท่านจนมุมหรือไม่เพราะคนตาบอดเออพระพบรมศ า, าสดามาบอกกับผมเรียนวิชาสนเข็มแต่ว่าตาบอดมาแล้วท่านก็ไม่พูด ไม่มีประโยชน์น่ะฉันใดก็ดีเห็นจนว่าม่มีบุญไม่ีบาปจะไปเททหตุทํำไมเสียเวลาทางโเทศเสียเวลาทางผู้ฟังก็มอบให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์หน้าอยู่ในตัวเข้าใจไหมข อ, อ่อนุญาตผู้สนใจได้ทาําชนะครับชณะความสนใจทั้งปวง ผู้สนใจในทานําชนะความสนใจทางปวงเอาอันเดียวอันเดียวอั น, นเดียวใช่ปัญปหายอล็กน้อยแต่ว่าจะเขาใจย า, ๆๆๆยากเป็นอย่างยากแนากผู้ไม่หวังคนทุกผู้ไม่หวังคนทุกทําไมเขาไม่หวังคนทุกก็เพราะเขาสร้างบปแมีวยังอ่อนอยู่ดอกบัวใต้น้ําดอกบัวสเสมอน้ําดอกบัวตูงดอกบัวบานก็มีอยู่ทุกการทุกเวลานั่นเองนะ ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมดอกสมาณฑ น, น้ำก็เสนอว่าน้ำเต็มภูมดอกบานก็บานเต็มภูมดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูิผู้ที่ทปฏิเสธว่าไม่มีบุญในบาปนั่นเองเสียงของเขาเน่ยเสียงขุดหลุมฝังตัวเองใช่ไหมไม่ใช่เสียงพูดเสียงขุดหลุมฝังตัวเองเสียงจอบเสียงเฉียมขุดหลุมฝังตัวเองเสียงที่ว่าไม่มีบาปไม่บุญฟังเท่านั้นเราก็พอแล้วอืม ถ้าเขาพูดอย่างนั้นอ่ะเราอยา่าไปบ้าไปเทศเขาเงียบจนะ้ะถ้าเราไปเทศเขาแต่ถ้าเขาว่าเราบ้า ก, กว่าเขาอีกเราก็รู้จักว่ามันคุรั่วอยู่แล้วเราขืนไปเทน้ำใส่เราก็เป็นบ้าสินะคุรไม่เป็นบ้าสิชูงไหมอือ <laughs> พระบรมศราสดาองค์ท่านก็เทศเอาแต่ผู้ พอที่าเทศได้ผู้ไมตเทศได้ท่านก็ฆ่าสัฆ่าแปลว่าไม่เทศเอาบางคนไม่คิดว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านได้เอาหมดจะไม่เข้าใจไมไม่เข้าใ จ, จะ อ, หอะไหมดทุกคนไม่<ะ>ถ้าปวดอะไรหมดทุกคนพระ อ, องค์มาข้างหลังจะไปสอนใครจะ <c oughs> เอาไปหมดผมได้ยินมามีพูดอย่างนี้วา่าถ้ากท่านุเจ้าคงจะได้แต่จะรู้ป น, นานแล้ว ไม่พระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อโกรธแล้วไปเนี่ยอันนี้กษตริยะโกตายโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธแต่กับก็อาสงไขยอสงไขยกลับแล้วไหนพระพุทธเจ้าจะไม่มากกว่าร้อยโกรธกับก็อาสงไขยอสงไข่กับแล้วจนนับไม่ไหวพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างสียพระองค์บ้างไปกลับหนึ่งแต่อสงกับก็อสงไข่สงขารถกับแล้วอสงไข่กับกับล้านล่านอันไหนมันหลายอันนั่นล่านนี่ย มันลน่ลานนั่นล้านล่านคูณไปอีกตะพืตะพือนนะมันจึงจบถึงอสงไขัยน่ะนานจนจนเกินคนที่ขาดทิศถึงอืมานจนกินอทารทิาถงกับเนอกลย่างนาอสงไขยกลับอีกซสียด้วยไม่ใช่ล่านล้านกลับอสงงขัยกลับมากกว่าล้านกลับอีกเสียด้วย พุกทเกท่ามาสอนเป็นคำเดียวกันมดไม่ได้แย่งพอรอบอกันเลยไม่ได้แต่งชี้ขาบทพระเวินัย์ไว้อันเดียวกันมาเทศอัฐถังคี้โกมัคโคเสยะทีฏฐังสมาทิฐิสมมาสังกโปมันเป็นศีลธรรมที่ปัญญาอยู่ในตัวแลว้วธรามจากตปวัตตนสูตรคือสูตรที่ดวงตาเห็นทมนั่นเองมันมีศีลสรรมที่ปัญญาอยู่ในตัวแลว้ว รายชี้เสียงข้าที่เสียทุสามนี้ยอดสองนิีสสิกี่สี่ก็ที่สองคนที่สี่เสียสีสรรย 2, ชีวัดเจ็สิบห้า ย, ยังไม่ได้บรร ญ, ญัติแต่มันบรรยัติอยู่ในตัวอัฐทั้งชิโกโมัคโคเสีออยทีทางสมาธิยันยอดลงมาก็เป็นเสียสมาธิปัญญาอยู่ในตัวทําแต่และวรธบัตครบแปดมืสีพราะทรมาขันหมดมันขึ้นอยู่กับผู้ขยายเป็นหรือไม่เป็นณโมตัวเดียวครบ8ปดหมื่สียพราะทรมาขันพุทธทางตัวเดียวครบแปดหมื่นสีพราะทรมาขันมันขึ้นอยู่กับผู้ขยายเป็นมันขึ้นอยู่กับ ธรรมะปฏิสัมภิทาผู้แตกฉานในธรรมจรัำจำ ล, ำลาทำทั้งหลายอยอนลงมาหามาโลภพังมาหาใจมากก็มากออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจยาวเหยียดออกก็ยาวเหยียดออกไปจากใจเรื่องของใจยาวเหยียดเพื่อทั้งใตรกธาตุเรียกว่าแปดหมื่นสี่พันรมธรรมะขัน ขันลงในใจเลยศีลขันหมวดศีล ส, สมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญามีมุติขันหมวดมีมุติมีมุติญาณศาสนาขันหมวดมีมุติญาณในศาสนาสาระหก็เรียกก็ย่นลงมาในเอกขันในกิจของเรานั่นเองของที่ว่าเราเราสมมุตินั่นเองไม่องใสัย เห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นดินน้ำไฟลมคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าอย่างนั้นไม่มีใครจะข้ามความหลงของตนได้ก็เป็นขี้ฆ่าความหลงของตนอยู่ล่าไปนะข้ามทะเลหลงก็คือข้ามความโง่ของตนข้ามทะเลหลงของตนนั่นเองข้ามทะเลหลงด้วยเครื่องบินไม่ได้ข้ามด้วยปัญญา ด้วยสติปัญญาเท่านั้นจะข้ามทะเลหลวงได้สติปัญญาที่สมดุลด้วยอธิศินสิกขาสิกขาคือสินยิ่งอธิกิตตสิกขาสิกขาคือกิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งกรมตื่นกันอยู่ในยปัจจุบันจึงจะข้ามได้ไม่ได้อยู่คนนะมุมโลกแต่ว่าศินสมาธิปัญญาอบรมกันก็ตามจะว่าสินอบรมสมาธิหรือปัญญาก็ตามแต่ว่าปัญญาอบรมศินสมาธิก็ตามจะว่านาจจะว่าตาหรือจมูกหรือ ลินอบรมกันก็ตามมันอยู่ที่แห่งเดียวกันนั่งจะว่านังกับเนื้อกับกระดูกอบรมกันก็ตามหรือจะว่าอันใดหนึ่งก็ตามจะไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ามน้าจึงจะมีเราพิาจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึลมจึงจะมีไม่เป็นอย่างนั้นมันมีพราะมปุดกันในปัจจุบันหมดแล้ว พ, พ่อแม่แมกูเอ๋ยคนนี้เข้าใจยากจริงเลย ก็เข้าใจยากสิเพราะไม่สนใจเพื่อเพื่นทุกมันก็เข้าใจยากสิถ้สนใจเพื่อเพื่นทุกมันก็เข้าใจง่ายอืมสนใจแี่ว่าจะไปเรียนเราแต่ว่าต้องรักเอแล้วก็ภาวนาไปหามนุษย์สวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้หลอกกินขนมเขามันก็สนใจยากสินั่นะ กรปลอยมันยังอะไรอ่ะมันหมือนกลังมันถอนออกมามันเหมือนกำลังมันถอนออกมาฮักกับยกลงสู่อันนี้จังทุกขังอานาจตาอันนี้จังทุกขังอานาจตาอนละเอียดนั่นเองมันมันกรเป็นจริงซ้มจิดท่นเนี่ยมันก็ปลอมส้ำจิดท่านเนี่ยเห็นไหมท่านก็มีมีตะแก้มีตะแก้ก็มีแต่ปลอยแต่ว่างตามเรื่องมันถ้ามาปล่อยมาว่างพูดสมมุตินี่ยมันว่างมันเองมันปลอยมันเองข้อเกิดค้อดับกับว่ามันเท่าสมุดหามันเกิดมันดับ พูดอย่างนี้ฟังไม่ออกใช่ไหมอองออกนะความเกิดดับไม่ใช่เราสมมติให้มันเกิดบันดับมันเกิดเองดับเองมันเรารู้ว่าตามเปจริงเท่านั้นถ้าเราไปสมมติให้มันเกิดบัลดับก็ไม่ถูกอีกละบ้าใหญ่อีกละฮะอืม นั่นถูกแล้วนั่นถูกร้อปเปอร์เซ็นต์ถูกถ้าใครภาวนาอย่างนั้นไม่เป็นบ้าดอกคนที่เป็นบ้าเขาคิกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนหนึ่งภาวนามันสมองออกปอยก็เห็นสายส้อยที่นี่เห็นสายส้อยที่นี่กูอปอย่างนี้จิตก็ถอนออกมาก็มีแต่มือเฉยๆนั่นบ้า สิ่งนั้นที่เกิดขึ้นให้เห็นสิ่งนั้นก็แปรปวนให้เห็นสิ่งนั้นก็ต้องหนับให้เห็นใครเป็นผู้เห็นก็คือปัญญานั่นเองไม่ใช่ตาท้องนองสมัตะจักสุจักสุคือดวงตาที่เป็นจักกูจักกูทิพปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาพุทธจักกูจักกูพระพุทธเจ้าสมัตะจักสุจักกูรอบข้าปัญญาจักสุจักสุคือปัญญานี่ตัวเป็นตัวสำคัญ บางท่านก็โกโหกพวกลมว่าพระศรียเมตไตรลงมาเกิดแล้วอยู่บ้านนั่นอยู่บ้านนี้เดี๋ยวนี้เกิดอยู่หลายแห่งแท่พระศรียาเมตไตรองคเดียวก็เกิดจี้เขาไปโกหกกินขนมเขานั่นแหะโกหกินขนมเขาบาดตายพระศรียเมตไตรทาไมจะเกิดไม่พอสี่เดือน ในขั้นรูุสิธตอีกซะด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราปฏิญญาผ่านยังไม่พอสี่เดือนในชั้นรูุสิธตนี่ท่านจะลงไปเกิดในประเทศอินเดียไปเกิดเมืองพารานาสีเมืองพารานาสีจะได้ใส่ชื่อหรือนามว่าเมืองกุตุ ม, มวดรีนี่จะได้ตัดสรลุไม่กากะทิงมารดาขององค์ท่านก็จะลงไปเกิดพร้อมกันเดี๋ยวนี้บารดาของท่านเป็นพระส ว, วัสดิ์บานเลยพระสวัสดา์บานแบบนี้เป็นพระสวดาว์บานเอ ก, กพิชีเกิดอีกชาติเดียว บางคนบอกว่ามาช่วยศาสนาพระโครมอย่างนั้นอย่างนี้กับพระโกหกกินขนมเขามันก็อย่างนั้นที่หลวปูมไม่โกหกกินขนมไครหรอกอือสติเป็นของสําคัญสติมันต้องอยู่เหนือโลกสติอยู่ที่ใดซัำไปชัญญะก็อยู่ที่นั้น เหตุฉะนั้นกรรมฐานแต่ละอย่างเลยอยากจึงมีสติอยู่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติกาคารุสติเทวานุสติอุปัฏฐานุสติกายะกตาสติมีสติออกหน้าออกหน้าอยู่ควบอยู่สติมีอยู่ที่ใดปัญญาก็ต้องมีอยู่ที่นั้นอืมนอกเขตุเหนื้อผลคือผู้คือผู้ไม่ยึด ถือเหตุไม่ยึดถือผลว่าผลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลผู้เห็นอนัตตาชัดเหตุผลมันก็อยู่ข้างหลังอุปทานไม่มีเมื่ออุปทานไม่มีเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีเพราะไม่มีใครยึดเอาเหตุมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลพระองค์หนึ่งคุยให้ลุงปูฟังแต่ว่าท่านตายไปแล้วเดี๋ยวนี้สมัยสมัย ถวายพบเพิงแลป้ปูกกองมาไปพบกันคู่บาคู่บาคู่บาไปพบกันสม่ไมนั่นใช่ไมนั่นเราสิบแปดพรรษาคู่บาครู่บาคูบาพ้นแล้วหรื อ, อยังเพราะเพราะหนีจากกันมานานแล้วเออยังไม่พ้นผ ม, ผมที่ดีของผมเต็มเป็นฟ้าแผ่นดินผมพ้นแล้วครับเออดีละสาธุเร่าให้ผมฟังสิ ตอนในจันท์จวนนั่งยิ้มอยู่นั่งยิ้มฟังอยู่อดีตอนาคตผมเบื่อแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ผมอยู่ในปัจจุบันครับเออผมพ้แล้วครับผมเบื่อแล้วอดีตอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ผมอยู่ในปัจจุบันหลวงปู่เขาก็บอกว่าผมถูกอยู่ไม่ว่าแต่หลวงปู่เขาผมก็บอกว่าท่านถูกอยู่เพราะท่านเดินมั่งถ ท่านรวงศิลสมาธิปัญญามาอยู่ในปัจจุบันท่านถูกอยู่แต่ท่านยังไม่พ้นท่านหางเลี่ยมจะพ้นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่มีญาณว่าพ้นท่านอาศัยท่านเป็นเปรตชอบปัจจุบันอยู่ใช่ไหมเราพูดทีนี้เอ้าผมจะเที่ยวปาให้ท่านฟังอดีตคือหางปลาอนาคตคือหัวปลากลางตัวคือปลาทีนี่คุณไม่กินซะหางมันไม่กินหัวมันก็ไม่กิน แล้วคุณมากินที่ตรงพุงของมันมันอร่อยทีนี่คุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่กินปลาตัวนั้นก็ฉลาดแกมโกงใช่ไหมเก่าหัวทีนี้อดีตเป็นโลกอันหนึ่งอนาคตเป็นโลกอันหนึ่งปัจจุบันเป็นโลกอันหนึ่งขยายออกทีนี้พระอรหันต์พิบว่าอะไรจะมาคุมรักษาปัจจุบันอยู่เป็นคนคุมนักโทษสิ พะนหันไม่ได้รักษาอะไรเลยพระมหาจิติของท่านเหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราพูดอย่างนี้ท่านไม่ยึดมั่นถือมันอะไรแล้วท่านไปจะไปรักษาอะไรกู <c oughs> จะทํายังไงกิบกูจึงจะดีกว่าเก่าท่านก็ไม่ได้พูดมั่เพราะมันดีพอแล้ว่ยังไงกูทาของกูจึงจะดีกว่าเก่าท่านก็ไม่ได้วิตกทํากูจะเสียไปทํากูจะไม่ตั้งหนุท่านไม่วิตกวกการกระเพากับชนาดใดๆท่านจะรักษาอะไร แต่พวกเราไม่รักษามันเผ็ดจริงๆอันนั้นมันเต็มพอแล้วจะรักษาทําไมอยู่เหนือเหตุลลเหนือผลแล้วชงเหนือเหตุเหนือผลเนี่ยทำอันเหนือเหอลลตุต เ, หเหนือผลแล้วสติก็หนีเหนือเหตุเหนือผลแล้วไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งปวงมีเฉือน้ําจะเฉือนวันยังคําก็ไม่มีรอยนกบินอากาศจะบินวันยังค่ำก็ไม่มีรอยเห็นแก่ตัวของมันนั่นเองรอยของมันไม่มีท่านเอ๋ยท่านอาจารย์จวนก็อหัวะละเฉยเอออาจารย์จวนหัวะละ เหนื่อยเมันมันมันยิ่งใจนี่มันมันลืมสังขารเลยยังไงครับก็ไม่ลืมมันมันมันมัยึดเลยมันทำมามันจะผลุนกันขึ้นมาเลยยังไงครับเออเรื่องพูดมันก็เปเรื่องสังขารเรื่องนึกคิดก็เป็นเรื่องสังขารไม่ใช่พระนิพนานพระนิพานมันเนี่มาแย่งนึกเนี่ยแยงคิดด้วยมไม่นด้มาแย่งพูดด้วยไม่ได้มาแย่งเอาแพ้เอาชนะด้วยพระนิพานเรื่องพูดนี่ก็กายสังขารวิจีสังขารจิตตาสังขารเท่านัานา้น ไม่ใช่พระนิพพานเรื่องพูดเราอาศัยจิตเดินนักก็ไม่ใช่ว่าจะเอาจิตไปพระนิพพานด้วยเห็นขนั้นท่านจึงมา่ารูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็ต่างหา ก, กจิตก็ต่างหากเจตสิกก็ต่างหากนิพพานก็ต่างหากยิ่งถ้าทําถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานทําทำถ้าทําผิดก็ลงนรก จิดถ้าทําถูกก็เป็นท่อนทางเข้าสู่พระญานพานถ้าทําผิดก็ลงนรกตามส่วนคนค่าของเหตุที่น้อยแต่มากคิดค่าค่ากับเรือศีลสมาธิปัญญารวมที่นั่นที่นี่ศีลของพระอรหันต์เป็นมหาศีลเนอเป็นศีลอยู่นอกเหตุนอกผลเนอมหาสมาธิมหาปัญญาเนอแต่ว่า ศีล ส, สมาธิปัญญาแบบหยาบๆที่เองอาศัยขันมันก็ไม่ถูกเพราะมันเหนือขันเข้าไปบากไปแล้วเป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาแล้วศีลประธานเป็นมหาศีลจงเลยว่าอย่โยมดี อ, อัดแบบแบบในเรือมันโกเคลื่นกระแส ม, มาโบกแรงมันจมไปเลยไม่ับก็มจมไปเลยซิ เ, ยเพราะอาศัยยังยึดเรือเป็นเราเราเป็นเรืออยู่นะท่านไม่ได้ยึดอะไรในโลกทั้งปวง โรคทั้งปวงคือโรคอะไรโรคอดีตโลกอนาคตโรกปัจจุบันด้วยโลกที่เป็นนามคืออะไรคือผู้รู้โรกที่เป็นโูคคืออะไรคือดินหน้าไฟลมคประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปโรกที่เป็นรูปธาตุที่เป็นโรคก็เหมือนกันขันที่เป็นโรคก็เหมือนกันขันที่เป็นนามก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันที่เป็นนามสีขันสมาธิขันปัญญาขันก็เป็นนามเหมือนกัน อรมอไปมาจุกไปจุกพุทโธธรรมโง่ธรรมโร่รรโง่ยกไปอ่ะไม่ไปอ่ะใช่ไหมเอากรรมอีหยังกันของก้อนทิปล่อยพันยพันอยู่ใช่ไเอากรรมเอาว้อีหยังกรรเออเออ เอางดีก็จะีรย่าง้ะครับวโททอลทั้งโนานโทมอทโกเนีพยรรับเพื่อพระเนานให้เพื่อพระเนพานอืมอืมเวลาไหนเวลาไหนไม่ชอบตื่นไม่ชอบสะดุงกรรมฐานอยู่กับตัว พระองค์หนึ่งผ้าตะโคดเอวผ้าไหมเดินยังกลมไปเดินยังกลมไปผ้าตะโตเอวมันหลดตกกระโดโ ด, โ ด, โ ด, โดเลยว่ามันว่าเป็นงูที่เกี่ยวขาไม่ให้ตื่นมันก็ตื่นถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติมันก็ไม่ตื่น พวกที่จะไม่ตื่นไม่สะดุ้งคือพระฐานจําพวกเดียวอะเรุอะชมพีอนุตราสีอัปปะยีติหายขนฟองสียองเก้าแล้วหายตื่นหายสะดุ้งแล้วอภิรุอะชมพีอนุตราสีอปรายีติหายขนฟองสีงยองเก้าหายตื่นหายสะดุ้งแล้วหายกลัวแพ้กลัวชนะแล้ว กระจุกกระจุกพูดอย่างนี้ก็สนุกเราสนุ ก, ก, ก<ม>สนุกฟังไม่ยิบ<ม>ังไม่เบื่อฮ<ม>ะเออเอาเอาซิตายน้อมไปในทางคนทุกข์แลลว่าท้าทงสารอุปศักด์ปัญญาวิเศษอุปศั ได้ๆในโรคล้วนมันเป็นเหตุให้ชวนนึกถึงพระนิพพานรูปสักปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกเพิ่มความเบื่อหน่ายทายโลกข่าวในโลกมีแต่ข่าวทุกอย่างนั้นข่าวเกิดก็คือข่าวทุกข่าวแก่ข่าวเก็บข่าวตายก็คือข่าวทุกข่าวกินก็คือข่าวทุกพระบรรหิวข่าวถ่ายก็คือข่าวทุกพระบรรหปวดจึงไปถ่ายอุจจระปัสสาวะ ขานอนก็คือข่าวทุกข์มันเหนื่อยจึงนอนข่าวนั่งข่าวพูดข่านึกข่าวคิดเป็นข่าวทุกข์ทั้งนั้นในวัดตาสงสารอันนี้เห็นทุกข์ในวัตาสงสารเสมอหน้ากรองเลยมันจริงจะข้ามความหลงความตนถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ถูกต้มความหลงของตนอยู่นั่นเอง จะไปหาสุขจะไปอวดดีหาสุขในวัดตาสงสารนะแข่งพระอรหรันพระอรหันพอหาพอแล้วมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบไม่ไม่เห็นท่านจึงข้ามความหลงของตนไปเสียเข้าสู่พระนิพพานไปเราจะไปแข่งดีกับท่านไม่ได้แล้วก็หาอยู่หากินพออะไรปฏิบัติเท่านั้นจะหวังรําหวั ง, ว ง, วงรวยในวัดตาสงสารนะอั น, นั้นเรานะคะมันจะรับชไม่รุก นะพอได้อยู่ได้กินแล้วก็รีบปฏิบัติเพื่อพนทุกข์เท่านั้นพรอเวลามีน้อยวันนี้ใกล้จะตายกว่าวันวานนี้ใกล้จะตายกว่าขึ้นมานี่ <c oughs> นาฬิกามันยังหมดงานเป็นอันนี้มันไม่หมดลานมันหมุนไปอยู่ พอเกิดมันก็ตั้งลานแล้วมันหมุนลานด้วยแล้วพอเกิดพอปถือปฏิสนธิเมื่อหมดลานเวลาไหนมันก็เสิ้นลมพายแล้วเมื่อขีเรียดยังมีอยู่อีกมันก็เกิดอีกสิไปเป็นผีก็เรียกว่าเกิดไปนรกก็เรียกว่าเกิดไปสวรรค์เขเรียกว่าเกิดไปพรมโลกเขเรียกว่าเกิดไปสัตย์ฌานก็เรียกว่าเกิดน่ ก็ต้องเป็นทุกข์ตามส่วนคนค่าของเหตุชาติทิศุขานถ้ามีเกิดก็คือทุกข์เราดีๆนี่เองเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในเกิดจึงไม่มาเกิดซักเบื่อน่าถ้าเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายมันเป็นเบี้ยบำเหน็จบำนาญไม่ประสงค์ก็ได้รับพวกที่ตายไปพวกที่แก่ไป ไม่ใครไม่มีใครยอมแก่หรอกแต่ว่าต้องถูกจำนุนถูกจับมือเซ็นถูกไหมอะไรมันสมประสง์ในโลกอันนี้ไม่มีหรอกถ้ามันมีสิ่งที่สมประสงเท่ามาเร็งนาพระอรหันต์ก็ไปไม่ได้เพราะวิญญาณปติสนันธิของท่านจะไปตั้งู่ที่นั้น มันไม่มีสิ่งที่สมประสงนั่นเองท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะ